<c oughs> นีมูลเพื่อนพิสูจน์สมณีทุกทุกท่านครับตั้งใจฟังแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกทุกท่านะตั้งใจฟังเมื่อไม่ตั้งใจฟังแล้วจะจดจําไม่ได้เมื่อเราตั้งใจฟังแล้วก็จดจําได้นําไปประพฤติปฏิบัติอะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะเอาไปปฏิบัติได้ วันนี้เป็นวันที่สิบเป็นวันพุธเดือนมีนาสองพันเดือนมิถุนาสองพันห้าร้อยสามสิบพูดภาษาบ้านหลวงพ่อเรียกว่าเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเพลงมีนบอมเมื่อเนี่ยเดือนเจ็ดเพลงโม น, นี้ขึ้นสิบห้าคำ ดังนั้นวันนี้ที่เรามาประสมกันที่ทัพเป็นขวนเรามีอุดมการ์คืออยากมาเผยแพร่คําสอนของพระพุทธเจ้าหรือมาปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจ้าคําว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่เหมือนกับคําสอนศาสดาอื่นหรือศาสดาอื่นนั่นก็ไม่เหมือนกับคําสอนของพระพุทธเจ้า หลวงพ่อได้ยินเจ้าคุณเจ้าคณะอำเภอเสียงขานพระครูวิชิตธรรมยารเนี่ยหลวงพ่อบวชข่าวแล้วอายุยี่สิบปีบวชหกเดือนท่านเป็นอุปชาท่านพูดให้ฟังในประเทศอินเดียมี1อยแปดละทิ1อยแปดนิกาย1อยแปดศาสนาว่าอย่างนั้นกันได้เหมือนกันสอนไม่เหมือนกันถ้าหากเป็น1อยแปดศาสนา้อยแปดละทิ ลอยแปดอาจารย์นั้นก็จะไม่เห็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าดังนั้นเรามาที่นี่ก็เช่นเดียวกันเราชอบธรรมะของใครต้องไปหาคนนั้นจึงจะไม่เสียประโยชน์เราสมมุติเอานะถ้าหากเราชอบธรรมะอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ก็ต้องหาอย่างที่คนพูดอย่างที่หลวงพ่อนี่ก็ได้ถ้าหากไม่ชอบอย่างนี้ชอบ อาจารย์องค์อื่นก็ต้องไปหาอาจารย์ที่เราชอบนั้นจะไม่เสียประโยชน์จากการตั้งใจของเราดัางนั้นในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็มีคนสอนกรรมาฐานกันมากมีหลายอาจารย์สอนวิปัสสนากันมากมีหลายอาจารย์สอนการสอนก็ไม่เหมือนกันและวิธีธรมก็ไม่เหมือนกันความรู้ความเห็นความเข้าใจก็จะไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันดังนั้นสาหรับ ที่ตัวของผมหรือตัวของอาตมาพูดนี้จะพูดตามอุดมการของตัวเองและจะสอนตามอุดมการของตัวเองที่เคยศึกษาเราเรียนมาและตัวเองปฏิบัติอย่างไรได้ผลมาก็จะนำเรื่องนั้นมาแนะนำตักเตือนกันหรือมาชี้ทางให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติเอาไปใช้กับชีวิตของเรา ดังนั้นการพูดวันนี้ก็จะไม่เหมือนกับอาจารย์องค์อื่นๆพูดเพราะว่าตัวอจะมาไม่เคยศึกษาไม่เคยเราเรียนแต่เรื่องทำบุญเรื่องรักษาศีลทำกรรมฐานนี่ได้ทำมาพอสมควรเรียกว่าพอที่จะรู้เรื่องได้สิ่งที่ตัวทำมานั้นมันไม่มีประโยชน์กับตัวเราก็จะงดเว้นไว้สิ่งนั้นจะไม่เอามาพูดให้ฟัง สิ่งที่ตัวเองได้ทำมาแล้วมันได้รับประโยชน์จากการกระทำของเราก็จะนำเรื่องนั้นมาเล่าให้พวกเราฟังดังนั้นพวกเราถ้าต้องการก็ทำได้ถ้าหากไม่ต้องการแล้วก็ไม่ทำก็ไม่เป็นเรื่องอะไรไม่ผิดไม่ถูกอะไรพระพุทธเจ้าสอนคนเนี่ยไม่ได้สอนเหมือนกับคนอื่นๆเช่นให้ทานรักษาศีล น, นั้นพูดแล้วตอนกลางวันก็พูดแล้วเรื่องนี้ อันนั้นมันเป็นคําสอนของที่อื่นแต่สอนให้คนละซั่วทำดีนั่นนะพระพุทธเจ้าก็เห็นด้วยแต่ไม่ขัดข้องแต่ว่าทําแล้วมันไม่พ้นทุกพระพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนเนี่ยพ้นไปจากความทุกทุกในวัฏฏะสงสารเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอันนี้เป็นทุก ดังนั้นพระพุทธเจ้า่า้จริงสอนเอาไว้ว่าอย่าเห็นผิดเป็นถูกคนอย่าเห็นทุกข์เป็นสุขคนอย่าเห็นนรกเป็นสวรรค์อย่าเห็นชั่วเป็นดีท่านไวอย่างไนแต่โดยมากคนไม่เข้าใจที่ตรงนี้เองคือไม่รู้อะไรทุกอะไรสุขอะไรผิดอะไรถูกอะไรชั่วอะไรดีเราไม่เข้าใจแต่คนอื่นอาจจะเข้าใจลราเพราะไม่เข้าใจ เมื่ออายุ4 6ปีเนี่ยไม่ถึง4 6ปีดีหรอก45ปีกว่าเพราะหลวงพ่อเกิดเดือน10อายุ45ปีเดือน8หลวงพ่อได้ศึกษาธรรมะลูกนี้ได้เข้าใจสัมผัสเรื่องนี้ขึ้นมาอายุ45ปีกับ8เดือนเลือด10เดือนก็ได้เพราะเดือน8เดือน8เดือน9เดือน10 หลวงพ่ อ, อยังตุกบสองเดือนยังไม่ถึงสี่สิบหกปีก็เรียกว่าสี่สิบหกปีก็ได้เพราะมันค้ายเสียงกันแล้วเพราะปฏิบัติธรรมะนะอันนี้เข้าใจจริงๆทุกคนทำได้เรื่องนี้ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ว่าพระภิกษุสมณนฆราวาสญาตโยมปฏิบัติธรรมะอันเดียวกันนี้แม่คนไทยคนจีนคนฝรั่งเศส คนอเมริกาให้ว่าทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกว่าต้องปฏิบัติธรรมะอันนี้อันเดียวกันทั้งนั้นรู้กับตนรู้เรื่องเดียวกัน้ยธรรมะแท้น่คือสิ่งเดียวกันไม่มีสองอันถ้าสองอันแล้วก็เป็นเรื่องคนละเรื่องขึ้นทันทีที่เราปฏิบัติธรรมะเดียวนี้เนี่ยคือจะอามาแก้ปัญหาตัวเรา ไม่ให้มีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเดี๋ยวนี้เรามีความทุกข์เขามีความสับสนวุ่นวายในใจของเราบางทีเราอาจสงสัยตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเนี่ยอันนี้ก็สงสัยบางคนยังไม่ทันตายอยากเกิดแล้วก็มีอันนี้ก็ผิดไป <c oughs> ถ้าพูดอย่างนี้อาจจะมีความขัดแย้งขึ้นมาทันทีนะ <c oughs> ไม่ต้องออกข้างหลงัง คนเนี่ยไม่ทันตายอยากเกิดแล้วตัวของอาตมาก็เช่เดียวกันทำบุญเนี่ยรักษาศีลเนี่ยทำกรรมฐานเนี่ยนึกว่าตัวเองตายแล้วจะไปเกิดเมืองสวรรค์มีเทวดามารับรองเอาดวงจิตวิญญาของเราไปเกิดเมืองสวรรค์แล้วจะได้มาเกิดไปสร้างสมอบรมเสวยนี่ว บุญผลงานที่เราทำนั่นนะ่ะอยู่ในเมืองสวรรค์แล้วจะได้กลับมาเกิดมาในเมืองมนุษย์นี่เป็นคนสวยรวยทรัพย์ต้องการอย่างนั้นจริงๆคนอื่นแท้จะเป็นยังไงไม่รู้หลวงพ่อต้องการอย่างนั้นบัดนี้เมื่อมาคิดถึงคำพูดตัวเองพูดนี้แล้วก็การกระทำของตัวเองทำมาแล้วมันขัดนโยบายมันผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างหนักทำไมว่าผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างหนัก พ่อพระเจ้าสอนให้คนพ้นไปจากความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนี่เองคนเราไม่อยากตายแต่อยากเกิดเกิดมาแล้วที่ไหนไม่ตายไม่มีเลยแม่สัตว์เนรัสสารเกิดมาตัวเดียวต้องตายตัวเดียวเกิดมาสองตัวก็ต้องตายสองตัวต้นไม้ก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นมาต้นเดียวก็ต้องตายต้นเดียวเกิดมาสองต้นก็ต้องตายสองต้นให้ว่าคนก็เช่นเดียวกัน เกิดมาคนเด link, ียวก็ต้องตายคนเดียวเกิดมาสองคนก็ต้องตายสองคนเกิดซาาเดียวตายา่าเดียวเกิดสองซ่าสามซาตายสองซ่าสามซ่าทีเดียวเกิดเป็นเทวดาก็ตายอย่างเทวดาเกิดเป็นพระอินทร์พระพรหมก็ตายอย่างพระอินทร์พระพรหมนั่นเองแต่เราไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยที่หลวงพ่อไม่เข้าใจแต่คนอื่นนั้นอาจจะเข้าใจดีก็ไม่รู้หลวงพ่อมาเล่าให้ฟังนี่คือหลวงพ่อพูดด้วยความจริงใจ ดังนั้นหลวงพ่อคิดแล้ว่วทุกคนต้องการขวมไม่ทุกแต่ทำไมเรากลับไปสร้างทุกข์ขึ้นมาให้เราเนี่ยให้คิดให้มันดีไม่ใช่มาทำลายนะเนี่ยมาพูดกวุมจริงให้ฟังขวมทุกไม่ได้มีเลยเราต้องการเท่านั้นเองเรานึกว่าสิ่งนั้นมันเป็นสุขสิ่งนั้นมันดีเราคิดว่าอย่างเต้ดสิ่งนั้นมันเป็นทุกสิ่งนั้นมันเป็นข่มเลวร้าย พระพรทธจาท่นสอนอย่างนี้ดังนั้นคนทุกคนจึงการให้ท า, นก า, กานการรักษาศีลการทำกรรมฐ า, านนั้นทุกคนทำเหมือนกันการเญ่นวิปัสสนาก็เหมือนกันทุกคนทำ ม, มาไม่มากก็น้อยแต่ความเห็นความคิดนั้นไม่เข้าใจไม่เหมือนกันจริงๆเรื่องนี้ตัวของผมหรือตัวของอาตมานี่เข้าใจเรื่องนี้มาแล้วก็พูดในเรื่องเดียวนี้คิดว่าทุกคนทาได้ทาไมจึงทุกคนทาได้ ก็ทุกคนมันข่มโกรธเรียกว่าโทสะข่มโลภเรียกว่าโลภะเกิดขึ้นเพราะเราหลงหลงก็เรียกว่าโมหะถ้าคนใดมีโมหะอยู่แล้วโทสะต้องแน่นอนเกิดขึ้นจริงๆโลภะต้องแน่นอนเกิดขึ้นจริงๆก็เพราะข่มหลงนี่เองเมื่อเราไม่หลงแล้วโทสะเกิดขึ้นไม่ได้โลภะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราไม่หลงหลงที่ไหน หลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจนี่เองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนคนที่งโง่อยู่นั่นแหละให้สลาดขึ้นมาทันวาอย่างนั้นแล้วก็สอนคนที่กําลังทําผิดนั่นแหละให้กลับคืนมาทําให้ถูกต้องทันวาอย่างนั้นแล้วก็สอนคนที่มีความทุกข์อยู่นั่นแหละให้ทุกข์ลดน้อยหมดไปนั่นเหละคือบุญแท้หลักพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ แต่เดี๋ยวนี้ครบาอาจารย์บางท่านความเห็นไปไม่เหมือนกันจิวาการทำบุญการรักษาศีลดีแล้วแต่มันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แก้ทุกไม่ได้ว่าอย่างนั้นแหละเมื่อมาทำความรู้สึกตัวนี่แหละแต่มีวิธีการทำจังหวะนั่งยังไงเขาได้แต่ไม่ให้หลับตาอันนี้ไม่ต้องนั่งนิ่งเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา พลิกมือขึ้นคัวมือลงยกมือไปเอามือมาในวิธีการอย่างนี้เรียกว่าสมาธิแต่สมาธิที่เคยทำมาอันไม่ได้ผลอ่ะต้องนั่งหลับตาไม่ต้องหนิงไม่ต้องเคลื่อนต้องไหวให้นั่งเงียบอยู่เนะ่อันนั้นสมาธิแบบนั้นสมาธิแบบไม่รู้แต่สมาธิอันนั้นไม่ใช่เป็นสมาธิในทางพระพุทธศาสนาสมาธิในทางพระพุทธศาสนาสมาธิทาให้รู้นั่นคือ สมาธิให้รู้สึกตัวไม่ใช่เป็นนั่งนิ่งสมาธิจริงาแปลว่าตั้งใจมั่นนี่แต่สมาธิที่สอนกันทุกวันเนี่ยต้อ ง, ปงเป็นนั่งเงียบนี่มันผิดกันอย่างนั้นอย่างว่าที่นํามาเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่มาลบรู้คือมาทําความเข้าใจมาพูดความจริงให้พวกเราได้ฟังแล้วนําไปปฏิบัติสมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นตั้งใจทําการทํางานพูดคิด ทำอะไรให้รู้สึกตัวความรู้สึกตัวนั่นแหละสมาธิถ้าไม่รู้สึกตัวแล้วนั้นไม่ใช่เป็นสมาธิแต่คนโดยมากเคลื่อนไหวไปมารู้อย่างไม่รู้แต่รู้โดยสัญชาตญาณไม่ได้รู้ด้วยสติไม่ได้รู้ด้วยสมาธิไม่ได้รู้ด้วยปัญญาความรู้ตัวนี้จังว่าสัญญาไม่ได้ทําหน้าที่ของมันสัญญาแปลความหมายรู้จําได้แต่น้อ แต่สัญญาตัวนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ของมันยานปัญญาก็เลยยังไม่เกิดขึ้นบัดนี้เรามาทำตัวนี้แหละให้มันรู้สึกตัวตัวสัญญาตัวนั้นมันจะรู้โดยธรรมชาติของมันและมันก็จะรู้ตามหน้าที่ของมันเมื่อรู้แล้วมันจะไม่หลงมันจะไม่ลืมเลยเดี๋ยวว่าสัญญาความหมายรู้จำได้รู้รู้อะไรจะรู้ตัวเหล่านี้เองรู้มันนึกมันคิดมันเคลื่อนมันไหวไปมาเนี่ยมันรู้ เพราะมันได้ทำหน้าที่ของมันนี่เีว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาเราเรียกว่าสวยอารมณ์ทุกสุขเนี่ยเวทนาเนี่ยทุกมันก็รู้เองสุขมันก็รู้เองเป็นอย่างนั้นสัญญาก็แปลว่าจาได้จําทุกจําสุขได้เนี่ยสังขารก็แปลว่าปรุงวิญญาณก็แปลว่ารู้ไม่ใส่วิญญาณตายแล้วล่องรอยไปอย่างนั้นนี่มันเข้าใจไม่เหมือนกัน อันวิญญาณตายแล้วล่องลอยไปเกิดเท่านั้นทราบเท่านี้ทราบอันนั้นวิญญาณไม่ใช่เป็นวิญญาณตัวนี้วิญญาณเป็ววารู้อืคือความรู้นั่นแหละจะได้ทำหน้าที่ของมันตัวสัญญาจะจำได้เส้นสมมติเอานะเราไม่คำนึงคำนวณถึงตาเรามีคนมาถามคุณมีตาไหมมีจับดูไหมจับถูกคันทีในตาจริงจีิงนี่ไม่ได้คำนึงคานวณเพราะว่าหน้าที่เขามันรู้อยู่แล้ว คุณมีหูไหมมีจับดูที่หูจับทุกทันทีเลยนี่แสดงว่าตัวสัญญามันรู้ตัวสัญญามันจำได้วิญญาณเปรารู้เรามาทำธุระอันนี้จะทำให้มันรู้ไปอย่างนี้ไม่ต้องรู้ดินฟ้าอากาศไม่ต้องรู้อะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยเราทุกพ่อเราไม่เห็นตัวจิตตัวใจเราเราไม่เคยรู้จิตใจของเราเลย ตอนเย็นหลวงพ่อเดินไปเดินมามันคิดขึ้นมาครั้งแรกหลวงพ่อไม่รู้มันคิดอยู่ตลอดวันเลยเหมือนกับน้ํานี่มันไหลอยู่อย่างนั้นแหละไม่รู้มันคิดขึ้นมาครั้งแรกหลวงพ่อคิดคิดขึ้นมาแล้วหลวงพ่อไม่รู้นึกว่ามีคนมาผักตรงข้างนี่เลยมาคิดเมื่อครั้งที่สองนี่ยหลวงพ่อโอ้มันคิดอันนี้หลวงพ่อรู้พอดีมันคิดขึ้นมาครั้งที่สามหลวงพ่อก็รู้ เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่อยู่คือตัวสัญญามันรู้จริงๆโอ้ลักษณะความคิดมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเข้าใจที่ว่าสัญญาความหมายรู้จําได้มันทําหน้าที่ของมันเนี่ยรู้อันนี้พอดีรู้อันนี้ลักษณะเนี่ยมันเป็นวัตถุธาตุชนิดหนึ่งเียว่าโทสะโมหะโลภมันเป็นวัตถุธาตุมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่ว่ า, า, า, า, วาตัวชีวิตจิตใจของเรานั้นะ่ะ กับวัตถุธาตุนี่มันใกล้กันถ้าเราหลงวัตถุธาตุตัวนี้แล้วก็หลงชีวิตชีวายมันก็เลยมาแสดงมันมาแสดงเราก็เลยไม่เห็นมันมาทํางานมันใช่เป็นงานของมันแต่มันมาทํางานพอดีเรามารู้ตัวนี้วัตถุธาตุตัวนั้นมันจะไม่มาแสดงเลยเพราะเราเห็นชัดเพราะตัวสัญญาตัวนี้มันไปทําหน้าที่ตัวนั้นอยู่แล้ววิญญาณก็รู้ ไม่ใช่ว่าสัญญาไปจำจากความรู้มาจากตําลับตาําราและครูบาอาจารย์สอนไม่ใช่อย่างนั้นอันที่หลวงพ่อพูดเดียวนี้เนี่ยคนไทยก็มีเหมือนกันคนจีนก็มีเหมือนกันคนฝรั่งเศสให้ว่าคนเนี่ยมีเหมือนกันที่วัศึกษาอันเดียวกันนี้ผู้หญิงก็ศึกษาอันนี้ผู้ชายก็ศึกษาอันนี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็ศึกษาอันนี้เมื่อมาศึกษาอเ น, นี้ย ก็ตรงรู้อย่างเดียวกันนี้จั่หวะธรรมะแท้จงคือสิ่งเดียวกันเท่านั้นเดี๋ยวนี้ลักษณะที่พวกเรานั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีใครโกรธเลยอ๋อท่านโกรธไหมเดี๋ยวนี้เี็ไม่โกรธเป็นยังไงกิจใจของท่านเนี่ยเนี่ยลักษณะเสยีเนี่ยมันมีในคนทุกคนเลยแต่เราไม่เคยมาดูที่ตรงนี้เมื่อเรามารู้มาเห็นที่ตรงนี้ลักษณะเสรีเนี่ยท่านว่าอุเปกขาวางเสยีเสเนี่ย มันไม่ไกลท่านพูดเรื่องนิพพานก็ได้เนี่ยเราไม่รู้เรื่องนิพพานคําว่านิพพานนี่หมายถึงเอาไปใส้กับการกับงานเขาเรียกเอิญโล ก, กุตตระธรรมถ้าพูดเป็นภาษาธรรมะเนี่ยว่าโล ก, กุตตระธรรมถ้าคนใดรู้อันนี้เอาไปใส้กับการกับงานเขาเรียกโลกุตตระธรรมคําว่านิพพานถ้าคนไม่รู้จักอันนี้ควาว่าโลกียะธรรมแต่ตั้งใจว่าจะทําอันนี้ให้มันถึงอันนี้ ก็เลยไม่รู้อันนี้เขาว่าเออโลกีเนี่ยโลกีเนี่คือเป็นวิสัยของสัตว์โลกไม่ใช่เป็นวิสัยของพระาริยบุคคลท่าพูดอย่างนี้ก็คนทุกคนก็ต้องเป็นวิสัยของพระาริยบุคคลเหมือนกันนี่อันทาพูดอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวจะมายกหย่อป่อปั้นอะไรกันคือพูดข่มจริงให้ฟังแต่ทุกคนท่านหลวงพ่อถามเดี๋ยวนี้ก็คงจะเป็นยังงอาคุณเป็นยังไงคุชัดเป็นยังไงเดี๋ยวนี้จิตใจเป็นยังไง เนี่อโยนเป็นยังไงเดียเ๋ยวนี้เนี่ยลักษณะเสยๆเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยนี่ะไรเรียกว่าสมาธิตั้งใจดูมันมันคิดขึ้นมาเห็นรู้เนี่ยอึดใจเดียวเท่านั้นเองถ้าเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่มีลักษณะนี้แล้วเอาโยนไปทำการทำงานได้ไหมทำงานได้ไหมจิตใจไปอย่างนี้เนี่ยนี่แหละที่ว่า ถ้าอาดียบุคคลรู้โลกุตตรธรรมแล้วรุ้นนิพพานแล้วไปทำงานได้มากกว่าที่ยังไม่รู้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทำงานมากกว่าปุถุชนเพราะมันมันไม่มีทุกข์นี่แต่เดียวดีเราไปศึกษาอย่างนี้ผิดเลยอันนี้ตำลาเคยพูดมีนะครูบาอาจารย์ก็เคยสอนกันไว้อันนี้เป็นการเข้าใจผิด แต่มันถูกเพราะเขายัางเข้าใจถูกอย่างนั้นญาติโยมเนี่ยถ้าไปเ <c oughs> จริญนิพพานโกดีปฏิบัติธรรมะโกดี <c oughs> เมื่อถึงที่สุดแล้ว <c oughs> เป็นเพศครวาสเนี่ยถึงเจ็ดวันแล้วต้องตายแล้วอ่ไรนะ <c oughs> คนก็เลยกลัวเลยไม่อยากปฏิบัติจนนี้นกลัวตายนั่นเองแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนี้คนมีที่ไหนในโลกเนี่ยเกิดเจ็ดวันตายไม่มีเลยผู้หญิงก็ตายภายในเจ็ดวันนี้ ผู้ชาก็ตายภายในเจ็ดวันนี้พระสงองค์เจ้าก็ตายภายในเจ็ดวันนี้เองให้ว่าทุกาธาตุทุกภาษาทุกเพศทุกวัยตายภายในเจ็ดวันนี้จริงๆแต่เราไปกลัวนี่เนี่ยไปกลัวเพราะเราเข้าใจผิดเรากลัวเป็นพระอาญาบุคคลถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่อยากให้สามีไปปฏิบัติธรรมถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่อยากให้ภรรยาไปปฏิบัติธรรมะกลัวจะเป็นผัวป่าเมียห้างกันเนี่ยกลัวจะพดพาคจากหลงกัน จะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ไปยันนั่นอะ่ะอันนี้เป็นการเข้าใจไม่ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยดังนั้นธรรมะประเภทนี้แหละทุกคนทําได้เมื่อทําได้อย่างนี้จะเป็นยังไงไม่ต้องเป็นอะไรแต่ไม่ทุกข์ก็ใส่ได้เรื่องคมตายนั้นอะ่ะมันเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งแต่เราจะศึกษาเรื่องนี้เราจะเป็นยังไงจะรู้ถึงที่สุดของทุกได้ แต่ทุกคนต้องประสบเรื่องที่หลวงพ่อพูดนี้จวนจะหมดลมหายใจเนี่ยทุกคนต้องตายและทุกคนต้องรู้ทุกคนต้องประสบเรื่องนี้เลยว่าสัจจะคือของจริงเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เจวันเกิดมาต้องตายจริงๆแต่ทำไมเราไม่อยากไมเราไม่อยากศึกษาเรื่องชีวิตของเราอยากให้คนอื่นมาศึกษาให้เรามาจะได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ตัวเองต้องศึกษาเองเรื่องชีวิตของเรา เมื่ออายุ46ปีตอนนี้เขามาเว้าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยตอนเ้าหลวงพ่อเดินกลับไปกลับมาแต่ไม่ใช่ตอนเย็นนะตอนเ้าเดินกลับไปกลับมาหลวงพ่อรู้เห็นเข้าใจเพราะสัญญาตัวนี้มันเป็นแน่แน่แนอยู่ที่ตรงั้นหรือว่าสัญญาจึงควมหมายรู้จําได้เนี่ยไม่หลงไม่ลืมเลยเราจะทําอย่างนี้เมื่อเราจะบดลมหายใจเนี่ยเราจะทําอย่างนี้มันต้องเข้าใจอย่างเนี่ยขวมตายถึงไม่ยกเว้น แต่ทุกคนต้องประสบเรื่องนี้จริงๆนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านสั้นทำวิธีไหนเขาได้อยู่ที่ไหนเขาได้ถ้าเข้าใจหลักการเนี่ยนอยางแต่ทุกคนต้องตายเมื่อตายเราจะทำอย่างไรต้องทำอย่างนี้ดังนั้นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงว่ารู้จักวิธีตายเราเคยได้ยินพระพุทธเจ้า จะตายหรือพระ อ, อนุลุทธะหรือพระ อ, อะไรเข้าสารกับ พ, พระพุทธเจ้าถ้าตายไม่ใช่อย่างนั้นคือรู้จักวิธีตายนั้นเหมือนกันภาษาวกของพระพุทธเจ้าต้องรู้จักอันนั้นอันนี้แหละเป็นที่สุดของทุกข์เมื่อรู้จักเนี่ยเราจะไม่กลับคืนมาเกิดอีกแล้วในมนุษย์ก็ตามหรือเป็นอินเป็นพงก็ตามไม่เอาแล้วนี่เพราะตัวสัญญาตัวนี้ไ ป, ไปทําอันนั้นถ้าถ้าตัววิญญาณตัวนั้นนเข้าไปรู้อันนั้นเพราะว่า วิญญาจะ ร, ร, รู้อืตัวรู้นั้นวิวปัสนาก็ได้วิปัสนาก็ไปว่ารู้แกล้งเห็นจริงต่างเก่าล่วงผ้าว่าเดิมวิปัสสนามันเป็นซื้อมันเท่านั้นเองแต่เรื่องนี้หลวงพ่อรับรองคําพูดของตัวเองตัวเองก็รับรองวิธีตัวเองไม่ใช่บป็นวิธีของคนอื่นนะเป็วิธีของเราก็ได้เป็นวิธีของพระพรุทธเจ้าสอนก็ได้ พ่อพระพุทธสอนให้ทุกคนมีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนและคู่เหยื่อเคลื่อนไหวต้องให้รู้ท่านไวอันที่เรามาทํานี่ก็ต้องให้รู้การเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวโดยวิธีเดียวคนรู้เขาต้องรู้นี่จะไปเรียนทําไมตำลำตำนับตําเพราะเราเคลื่อนไหวเราพิจาราแล้วก็รู้เราหายใจแล้วก็รู้อย่างที่หลวงพ่อยกมือไปใังคนอื่นรู้ไหมไม่รู้แต่เห็นว่าหลวงพ่อย ก, ยกมือไปยกมือแต่ความสัมผัสไม่รู้ พวกท่านทําอย่างนี้หลวงพ่อก็เห็นแต่รู้แต่หลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อไม่ได้สัมผัสหลวงพ่อจะรู้ทําไมนี่วิญญาณเปรยวรู้สัญญาที่ยึดจำได้เนี่ยมันจะเข้าเรื่องอันนี้นี่เองที่หลวงพ่อนำมาเล่าให้ฟังจริงว่าเป็นการศึกษาง่ายๆอึดใจเดียดเท่านั้นเองอยู่ที่ไหนก็ได้เรื่องนี้ทําการทํางานให้รู้มันคิดแล้ว่าไปรู้กับความคิดพอเดี๋ยมันคิดปุ๊บเรามาอยูความรู้สึกอันนี้แต่ให้มันคิด มันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้กลไกของเขงความคิดอา้าวสมมุติให้ฟังหลวงพ่อไม่เคยเรียนหนังสือสมมุตินักมวยเนี่ยไม่ได้เป็นเซีนเปี้ยนเพราะเรียนมาจากครูเรียนมาจากครูน่ะเป็นเซียนเปี้ยนไม่ได้คนใดเรียนมาจากครูเพียงเล็กเล็กน้อยน้อยขึ้นเวทีบ่อยบ่อยแทสนะนั้นมันเป็นเกมกีฬาซกคนนี้แพ้ไปเราต้องจําไว้โอ้เขาซกที่ตรงนั้นเราเจ็บสู้เขาไม่ได้ เอาขึ้นเวทีหน้าบางทีเราชนะก็ได้แต่ชนะก็อย่าพึ่งดีใจขึ้นเวทีบ่อยๆเนื่อคนนั้นสูง<ม>เหนือเราไม่ต้องพูดคนนั้นมีน้ำหนักเหนือเราไม่ต้องพูดคนนั้นเสมอเราไม่ต้องพูดคนนั้นเล็กกว่าเราไม่ต้องพูดแต่ว่าขอให้มีคู่ต่อสู้แล้วก็เอาเลยซกเลยอันนี้ก็เหมือนกันแต่ให้มันคิดอย่าไปห้ามมันเรื่องขคิดนี่มันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้เหมือนกับนักมวยนั่นเอง เรายิงขึ้นเวทีก็ยิ่งซกสํานานถ้าคู่ต่อสู้มากับซกหลุมตาทั้งสองตานี่เลยโปเขาตาดิกรคู่ต่อสู้จะล้มลงทันทีเลยถ้าไม่ล้มมากับมือตาแล้วมันไม่เห็นเราแล้วมันลุกขึ้นมาแล้วก็าซกหลุมตาอีกเดี๋ยวก็ได้เป็นเศษเปี้ยนทันทีอันนี้ก็เหมือนกันที่มันคิดเราไม่ต้องห้ามมันแต่ก็หลบตัวมาอยู่กับควมรู้สึกให้มันคิดพอได้มันคิดเราก็หลบตัวมาอยู่คมรู้สึก ความรู้สึกนี่แหละจะได้ทำงานความไม่รู้จ น, นเพราะคูต่อสู้ตัวคิดเน่มันไม่รู้มันมาทาให้เราไม่รู้ที่ตรงนี้พอเดี๋ยวเรารู้เราถอนออกจากขอบเขตวิทยุทธของตัวนี้ความรู้นั้นมันจะมากขึ้นมากขึ้นความต่อสู้ของเรามันจะน้อยลงไปทางนี้จะมากขึ้นมากขึ้นสมมุติเราคิดลอยเรื่องเราจะรู้เรื่องเดียวเราคิดลอยเรื่องเรารู้สองคิดลอยเรื่องรู้สามมันจะเป็นวิธีลบความ คมคิดที่เราไม่รู้มันจะน้อยลงน้อยลงควมคิดที่เรารู้มันจะมากขึ้นมากขึ้นเมื่อถึงที่สุดแล้วมันจะแสดงตัวมันเองมันจะเข้าสภาพเรื่องที่ว่าถึงที่สุดแล้วหยานยอมมีเนี่ยตำลาก็มีเรื่องนี้ไม่ใช่พูดอวดนะอันนี้ทุกคนต้องประสบจริงๆที่หลวงพ่อพูดเนี่ยแม้ทาบุญรักษาศีลทากรรมฐา น, นเลยด้วปัชนากรรมตามถ้าไม่มารูอันนี้ละ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 ถามคำเอเลยกครูบาอาจารย์องค์ใดออสอนเรื่องนี้เป็นก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์องค์นั้นถ้าครูบาอาจารย์องค์ใดสอนเรื่องนี้มาเป็นไปฐามหลงคนนั้นคน ian, ในั้นจะสอนได้ไหมเขาไม่รู้เขาจะสอนเป็นทําไมเพราะมันไม่รู้อยู่แล้วเนี่ยจิมหาที่อาจจะมาพูดเลยใครชอบเรื่องนี้มาที่ทับนิ่งขวนถ้าอาจมาอยู่นี้อาจมาสอนเรื่องนี้แต่ครูบาอาจารย์องค์อืนอออ่ น, นถ้ามาที่นี่ก็จะฝึกขัดเรื่องนี้ก็จะให้คนรู้เรื่องนี้โยมมาที่นี่ก็เหมือนกันจะฝึกเรื่องนี้ เพราะทุกคนจะประสบเรื่องนี้จึมวาเราไม่ต้องการมีทุกข์ถ้าคนไม่มีทุกข์แล้วอยู่ที่ไหนก็สบายแล้วอันนั้นแหละคือพุทธศาสนาแท้ๆจิมวะสอนคนกําลังมีทุกข์ให้ทุกข์ลดน้อยไปนึอถึงกับไม่มีทุกข์เมื่อถึงที่สุดแล้วจะมีทุกข์ทำไมไม่สงสัยแล้วเนี่ยตายแล้วเกิดก็ไม่สงสัยแล้วจะมาเกิดอีกไหมเราไม่มาแล้วก็ไม่สงสัยเราจะมาแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเพราะเรารู้วิธีที่จะมาเทที่จะไม่มาเป็นอย่าง ท, ที่พูดนี่ก็รู้สึกสมควรเลยนะก็ญาติโยมทุกๆคนฟังแล้วก็ต้องจดจํานําไปปฏิบัติวันนี้ก็อยากให้ญาติโยมได้เดินจมกรมสร้างจังหวะกันที่นี้ทับเบี้ยขวดเนี่ยได้ยินญาติโยมหูสัตดหรือที่ที่พวกกรรมการพวกประธานกรรมการว่าจะเอากันเดือนละสองครั้ง ากมาแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมะไม่ต้องมีการพูดการคุยกันอะไรกันมากแต่ว่าวิธีการอื่นๆเสร็จไม่วันนี้การการประชุมกันเรียบร้อยแล้วได้อย่างเรียบร้อยแล้วเเเรียน้ทาวจะืองิไดไดคือถ้าเรียบร้อยแล้วมาประชุมกันเที่ยวหลังไม่ต้องไม่ต้องพูดเรื่องนีมากพูดให้น้อยแต่อยากให้ทุกคนได้เจริญ ตัวปัญญาให้เกิดขึ้นให้สมบูรณ์มาจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตาคตนี้ขอให้ทุกคนได้เจริญสติและประพฤติปฏิบัติธรรมตัวเองรู้ตัวเองในชีวิตนี้ หรือเวลาอันใกล้นี้ให้ทุกคนได้ประสบพบเห็นเอาในช่วงระยะไม่ต้องพูดมากนะภายในสิบสองสมงนี้เองขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในสีวินี้จงทุกทุกคนเธอขอ ญ, ญาตโยมทุกทุกคนจ้งใจฟังในขณะนี้ก็ตีสี่ ยี 20, 25, ่สิบยี่สิบห้ายี่สิบสามนาทีเนี่ยการทำวัดเ้าวั น, นี้คนทาเป็นเพียงหัวข้อสั้นเพื่อเป็นการเตือนจิตสกิตพวกจิตสกิตใจของพวกเราให้พวกเราได้นึกได้คิดคำหนึ่งอยู่เสมออย่างที่เราสวดว่าขันติ คือความอดทนเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเ้วเราก็ต้องให้รู้จักว่าเราอดทนต่อแดดต่อฝนต่อลมต่อพอนต่อหนาวอันนั้นเป็นการอดทนสนิ่นึงดังนั้นพระพุทธเจ้าเป็นสอนว่าสอนคนงโง่ให้สลาดมันเป็นเพียงหัวข้อ แล้วก็สอนคนที่กำลังยังทำผิดอยู่นั้นะ่ะให้กลับคืนมาให้ทำให้ทุกต้องอันนี้ก็เป็นเพียงหัวข้อและสอนคนที่กำลังยังมีทุกข์อยู่นั้นให้ทุกข์นั้นลดน้อยไปเลอกหมดไปอันนี้เป็นเพียงหัวข้อถ้ า, าคนมีปัญญาฟังแล้วพิจารณาเมฆ้วงมาอย่างที่คนงโง่นั้นบุายว่างโง่ โบได้เรียนหนังสือเขียนหนังสือโบได้อ่านหนังสือโบเป็นนั่นโง่อันนันก็ถูกอยู่แต่โบเฉาะเท่านั้นแล้วที่ว่าคนที่บูรหุจักการทรรมาหาจินโบมีเงินโบมีทองโบมีพักบบมีพวกอันนั้นก็ไม่ใช่โง่อย่างนี้แต่อันนั้นก็ทุกอยู่คือกันคาว่าโง่ในที่นี้หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพวกกันใกล้ๆก็เรียกว่าโง่หลงโทสะโมหะโลภะอย่างเกิดขึ้นถ้าหากคนสลัดแล้วโทสะโมหะโลภะโบเกิดขึ้นเปิดเอินคนสลาดอย่านั้นความสลาดในทีนี้โบได้สลาดทางหาเงินหาทองโง่กับโบได้ว่าโง่ถึงว่าบบมีผักโบบีพวกโบได้โง่ถึงสั่นคือความจริง ตอนกันสั้นๆเพื่อให้ทุกคนเอาไปแก้ปัญหาตัวเองถ้าหากผู้ใดยังปล่อยให้โทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นทำลายในชีวิตจิตใจของตัวเองนั้นซื่อว่าอย่า ง, งโง่หลงอยู่อย่างบู้จักของจริงนะหลงกับโง่กับหลงนี่ยมันคล้ายๆกันจะมันใกล้กันที่สุดหลงอย่างเปน็นธั้งสัน ถ้าโมงโง่โมลงตนบมลืมตัวแล้วมันก็สบายขนครับพระพุทธเจ้าสอนให้คนหมดทุกข์คือให้สบายนี่เองมันนี่คนที่กําลังทําผิดอยู่นั้นพระพุทธเจ้าสอนทําให้ถูกต้องคือเฮายังทําผิดอยู่หลายอย่างโมเมนทําผิดกฎหมายบ้านเมืองอันั้นกัแมนอยู่อันั้นกับเนมันน้อยเกินไปมันแคบเกินไป คำว่าทำผิดนันก็หมายถึงเราบุรุษจากวิธีที่กระทำดูจิตดูใจของเราคือเราบูรู้เรายังทำผิดไปรักษาศีลไปทำกรรมฐานไปเจริญวิปัสสนาก็ตามอันนั้นซื่อว่าอย่างลงผิดอยู่คันแก้ปัญหาอันนี้บ่ใดแม้จินับเมเหินเม่ใจในท้องมหาสมุทรทะเลพนุนให้ครบให้จบให้ทวนทุกเบ็ด อันนั้นก็นยั ง, งโง่หลงอยู่ถ้าหากมองจากวิธีที่มาทำทางจิตทางใจนี่ทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงมาที่นี้ที่หงวอว่ให้ฟังเดี๋ยวนี้นี่เพราะพระพุทธเจ้าเพิ่นมีจุดหมายปลายทางให้พวกเราทำให้มันถูกต้องอันนี้ส่วนวายางสันสอวาถ้าทำมุถุกกับสอวาทาผิดส่วนวายเอื้นวาคนทําผิดและเพิ่นสอนพยายามให้ทาถูกต้อง การทเทพพระพุทธเจ้าสอนให้ทำถุกต้นท่านบอกว่าให้มีสติรู้การเคลื่อนไหวภายนอกเส้นเคลื่อนไหวโดยวิธีแต่ก็ให้รู้นี่เพิ่นบอกอังสีเพิ่นบอกให้ไปภาวนาอันอื่นมากแล้วก็ให้มีสติรู้ความคิดของตัวเองคือมันนึกมันคิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจเพิ่นมาสอนอาบทนี้เพียงว่าเพราะว่าจิตใจได้มันเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนั้นตลอดเวล า, าเป็นว่าอย่างสัน้นอันนี้พอมันสอนอย่างอื่นนั้นเพิ่งก็สอนมาแล้วมันยังทําผิดอยู่มรนยวุ่นตรงเพราะยังสอนให้คนทําสันส้นๆอึดใจเดียวทําได้เป็นว่าเมื่อทําอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไดจันทุกนั่นจะลดนอ้อยไปเป็นว่าเพราะว่าโทสะโมหะโลภะนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้น พอเราดูสภาพลพาวะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจดูสภาพลภาวะความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันทำย่างที่หลวงพ่อวาสู้ฝั่งเดียวนี้นี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโมเด็จกำหนดกฎเกณฑ์ลงไปว่าเป็นพระสงฆ์จึงปฏิบัติได้บุไดวาเป็นฆราวาสญาณโยมปฏิบัติบุไดบุได้วาคนถือซาตนาอื่นปฏิบัติบุไดพุนกับว่า เมือคนไทยคนจีนผู้ใดโบรได้ถือศาสนาพุทธปฏิบัติบ้ได้สังกัปปวาตลอดคนฝรั่งเศสคนอเมริกาพวกที่โบรได้ถือศาสนาพุทธนือเพิ่นเอินวา ย, ยูุโรปประเัศหนพวกเนี่พอรู้จักรหรือยังกันแิบเอเชียแี่ยุยโรปเปนวาเพิน่นบ้ได้กำหนดกฎเกณฑ์อย่าง่ารให้ว่าคนชาติใด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 มันก็ลบกวนได้ทั้งเมื่จึงว่ามันบุยกเว้นไข่ทั้งหมดบวายน้าเวตาไข่ทั้งหมดเรื่องโทสะโมหะโลภานี้ก็าจึงว่ามันทําผิดบัด น, นี้บวชเป็นพระสงฆ์มันก็ยั้งก็กลัวถ้าหู้จากวิธีสกัดกั้นมันไว้ได้เป็นข้าราชกาติโยมมันก็ยั้งก็กัวให้มาถือศาสนาใดมันก็ยั้งก็กัว ถ้าหากมันยันมันกลัวแล้วกระแสดงว่ามันเข้ามารบกวนได้ยากเมื่อมันบุมารบกวนเขาแล้วกระแสดงว่าเขาได้เข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าแล้วหากพยายามนำข่มลูคว่มสลาดที่เขาเคยศึกษาเขาได้ยินได้ฟังมาหรือเขาได้ปฏิบัติบันเทาได้อันนี้มาว่าต่อคนอื่นให้มันขยายวงกลงออกไปดังนั้นผู้ใดพูดความจริง ซึ่งที่ว่านี่แหละอันนั้นเสือเป็นการเผยแพร่คําสอนของพระเจ้าให้เจริญได้ก้าวหน้าขึ้นไปเป็นว่านั้นดังนั้นเพิ่งยังสอนเอาไว้ว่าผู้ใดมีข่มลูกพอปานใดให้สอนพอปานนั้นหรือขนาดใดให้สอนขนาดนั้นสอนเมื่อจากข่มลูกของเราไปโบได้เป็นว่าดัางนั้นพระเจ้ว่าคนสามัญธรรมดานี่แหละ รู้จักธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือผ่าทรงองค์เจ้าเนี่ยรู้จักธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ารู้จักธรรมะคาสอนของพระเจ้าแล้วก็เป็นคนธรรมดาผิดไปจากธรรมดาไปแล้วเพราะว่าโบแมนคนว่าภาษาบ้านเขากกเรียกว่าคนบ้าถ้าเป็นบ้าแลยที่เป็นคนดีได้บ่มันก็ดีโบได้คืนว่าคนบ้าบ้า น, น้อยนึงกับผิดไปผิดจะปกติไปแล้ว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 ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอวสิการนี่เองทําให้เจริญให้ก้าวหนะ้าก็ไม่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอวสิกานี่เองวันนี้ทําให้จิหีหายหรืออันตรธานตายนังกะบ่มีผู้ใดมีแต่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอวสิการนี่เองทําให้เสื่อมสูญและทําให้อันตรธานหายไปนั่นะแล้วเราได้ทําหน้าที่ของเราถูกต้องอหรือเ่หรือว่ายัง ถ้าหากเราบริถามหน้าที่ของเราให้ถูกต้องนั้นกระสือว่าเรายังบริหารติดคุณอันที่อย่างพวานี่เพราะพระพเจ้าพ้นระบุลงไปถึงคุณบมไม่เส้นระบุไปแต่ห น, นอง น, นี้ดังนั้นคนนี่เกิดกับคุณก็ต้องรู้จักคนแล้วกับพ่อแม่เขากเป็นคนเนี้ยปู้ย่าตาทวกเขาเป็นคนเนี้ยแง่รขาหน้าตาเอือมเท่ากับเป็นคนใจใจคุณแบบนี้เป็นว่า อาจิวเป็นคนก็ได้คนนั่นจริงบุรู้จักตัวเองบุรู้จักคุณค่าของความเป็นคนและบุรู้จักหน้าที่ของตัวเองจะปฏิบัติอย่างไรไม่รู้ดังนั้นคนผู้เช่นนั้นเสื่อบุรู้จักบุญบุรูจักคุณตัวเองเมื่อบุรู้จักบุญบุรู้จักคุณตัวเองแล้วกับุรู้จักบุญจากบุรู้จักคุณของพ่อของแม่บุรู้จักบุญจากคุณของพี่ของน้อง บูรูจ้จากบุญบูรู้จักคุณของประเทศศาสตร์บ้านเมืองแล้วก็ที่สุดบูรู้จักบุญคุณของพระพุทธเจ้าอีกสด้วยแล้วคนประเทศนั้นที่ถือว่าคนโบโ บ, บเมีนขนอันนั้เพิบบเงพ่งว่าโบเมีนขนเพิ่งจะมาวิปัสสนานี่จึงว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วตัง้งเก้าล่วงภาวะเดิมหมดเลยเพิ่งว่าอันพระพุทธเจ้านั้นเพิน่นโบได้เป็นต้นเป็นโตบบได้เอารูปร่างไปว่า เขาเคยได้ยินได้ฟังอยู่ว่าภาควาลิศชอบพระพุทธเจ้าลักพระพุทธเจ้าบ่าเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ขณะหนึ่งหรือวินาทีนึงก็อยู่บ่ได้คิดทอดคิดถึงแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังไปว่าภาควาลิศอันนี้บ่ใช่พระพุทธเจ้าอันนี้ว่าใช่มันเป็นวัตถุชนิดหนึ่งมันบ่ใช่เป็นวัตถุธาจะเป็นเป็นวัตถุชนิดหนึ่งอันนี้ พระวักกลิกยังเห็นพระพุทธเจ้านั่นดีแล้วอันนี้ตายเป็นบ่อตายเป็นเน่าเหม็นเป็นบนเน่าเหม็นเป็นพระวักกลิกตายเป็นบ่อตายเป็นเน่าเหม็นเป็นบนเน่าเหม็นเป็นถ้าตายเป็นเน่าเหม็นเป็นก็คือกันนั่นแล้ววัตถุสิ่งมี้ธาตุสิ่งนี้อันพระพุทธเจ้านั้นคันตายเป็นเน่าเหม็นเป็นที่เป็นพระพุทธเจ้าได้ทำมาพระกลิกเก็มีความสนใจขึ้นกับพระพุทธเจ้าโอ้นี่บนไปพระพุทธเจ้าแล้วนี่ พระพเจ้าตัวจริงยุคสิไดาส่วนบูหุจักวาโบได้พระพเจ้าจอมนี่ไปให้พ้นพระวกลิศนี่ไปจากการปุงแตงบ่เป็นไรพระวรกลิศนี่จากวัดยังที่เขาอยู่สํานักทับยิ่งขวดเนี่ยนี่จากทับยิ่งขวดนี้เสนอพ้นโบได้บอกทางสันพ้นบอกว่านี่ไปจากสังขารปุงแตงนี้นี่ไปให้พ้นพระวกลิศคนั้นถ้าหากบนนี่จากสังขารปุงแต่งนี่กระนี่ทุก มันรบ ก, กวนวยอย่างซีวนวายอย่า ง, งนั้นภรวรกลิขก ร, กรไดสติดูจิตดูใจตัวเองดูสภาพการเคลื่อนไหวตัวเองบวงให้สังขารปรุงแต่งและวกกลับขึ้นมาเกิดเติมวายอย่างซีกรไดโอ้พระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างซีเนาะหูจักเลยเห็นพระพุทธเจ้าอยู่กับภบรวรกลิขอยู่ใสกระยูไดแบบนี้ทําการทํางานได้ดังนั้นรูธรรมะจริงหรือูแล้วก็ต้องเปิดเผย พือ่อจมาเปิดของที่ปิดไว้ให้คนเห็นให้คนได้ดูได้สม้มง่ายของที่คั่มหน้าอยู่นั่นแหละออกมาให้คนได้หููได้เห็นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเกี่ยวรถหรือเกี่ยวอย่างกระสร้างน่ะที่มันหันแน่นอ ย, อยนู่นั่นพยายามมาเกี่ยวนั้นออกให้มันหลวมหรือให้มันเอาออกได้จะเป็นวาระจึะมาเป็นหน้าที่ของเขานี่เอง เป็นหน้าที่ของผ้าส่งเป็นหน้าที่ของญาติโยมปฏิบัติให้จเจริญให้ก้าวหน้าถ้าหากผู้ใดรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักว่าหน้าที่ตัวเองรู้จักว่าตัวเองต้องปฏิบัติอย่างนี้อันนั้นแหละซื่อว่าเข้าไก้์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นคือร่างกายรีบแมนคือจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธ คำว่าจิตใจสะอาดเป็นหมายถึงอันใดจิตใจสะอาดก็คือตัวธรมรมชาติของจิตใจนั้นมันบ ร, ริสุทกปรกจิตใจสว่างนั้นคล้ายๆคือเขาไต่ไฟเขาไปใส่มาใส่ที่บเหยียบหลักเหยียบตอที่บลงขู่ลงคล้องทําไปเมื่อค่ํเมื่อคืนน่ะคือเขาไปเมื่อสวยนี่แหละบได้มันเป็นเปื้อเป็นตมนกอลีกะเวน้นเพิ่มเอิญจิตใจสว่างจิตใจสงบ จิตใจของเฮามันเป็นสังสีอยู่คือเฮานั่งอยู่เดี่ยนี่นี่แหละมันน่ะเป็นสังสีอันจิตใจบริสุทธิ์อันมันน่ะเป็นสังซีอยุ่งมันเระบบได้ไปคุกคีกับเมียงอันสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันก็มาปุคคุมอันนี้ซื้งโบให้อันนี้น่ะแสดงออกหน้าที่ของมันมันก็เลยโบได้แสดงเพราะเฮาไปลงตนลืมตัวเพื่อนว่าสัญญาความหมายลูจําได้สมมติว่า <c oughs> <c oughs> ให้ตัวสัญญาตัวนี้แหละทำหน้าที่ของมันจริงจริงเพื่นว่าอันนี้เพื่นว่าจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพ้องใส่อะักนึ่งคำว่ากันมันเป็นเพียงคําว่าเนี่ยจิตใจนั่นคือมันสะอาดอยู่เื่อยมันพ้องใส่จิตใจว่องไวแบบนี่ยสามารถที่จะมองเห็นอันใดมันสะกิดใจเขาก็เห็นเขาก็ฮู้ <c oughs> เพื่อนว่าจิตใจว่องไวตัดสินลงไปทุกต้องโหลด อันจิตใจซาซาในค น, ค น, น, นเอิญขนเงือกน่ะหรือขนซาขนจ้าคนโง่ขนบอสลาดมันมารวมอยู่จุดนี้เพราะจิตใจมันมืดบอดอยู่ด้วยมันโบมีสว่างมันโบว่องไหวมันโบสามารถที่จะมองเห็นอะไรได้เึ่งไปจับผิดคนนั้นไปจับผิดคนนี้ตัวเองทำผิดเลยบลูสึกตัวนั่นหลวงพ่อเป็นอย่างสั้นหลวงพ่อ พูดทีพู ด, ด, พ ด, ดเรื่องอหลวงพ่อหลวงพ่อพูดเรื่องคนอื่นบุเรินเคยให้ทานเคยรักษาสิ้นมาคันผูดด้ใดบวชให้ทานกับว่าจิตใจบก่วง<ม>ขวงหนี่งรักษาศิ้นมากับผู้ใด ย, ยังโอหกพูดเท็จอย่างชันยันซีซือคนนั้นบุตีหัวเนี่ยเข้าใจอย่างไร ต, ตัวเองเป็นเลยบุรู้จักเมื่อตัวเองบุรู้จักบุมีความสว่างไายในะจิตใจแล้วซือว่าเรายัา ง, งโง่หลงอยู่ทางนั้น ดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนสอนซ้ำๆลัดๆให้ทุกคนเอาไปใส่ใดคําสอนของพระพุทธเจ้าโบกกําหนดกฎเกณฑ์ลงไปว่ายู่จังไดนกินจังไหนพันบ่าเพันเนาะยู่อย่างต่ากินอย่ยางต่นาตนั่งนอนอย่างต่าแต่ทํางานอย่างสูงและหมายถึงอันใดสิญาติโยมนั่นแหละยู่อย่างต่าทําให้ทํานาทําโวทําสวนกินอย่างต่ำ อเองกินเองนอนย่างต่ำเหมันบุได้นอนฟูกนอนเบาบุได้นอนเตียงแตทํางานย่างสูงพูดแต่เรื่องคําสอนของพระริยาคนนี้ยู่ย่างสูงแต่ทํางานย่างต่ำเหมืนเนี่ยแล้วก็จะสุดตกใจไลยพวกเขาไหว้ฝังสื่อถ้าทรงองค์เจ้านี่แหละเขาบุได้สื่ออาหารบรุได้สื่อญาติโยกถวายให้เนี่ยว่ายู่ย่างสูงเนี่ยกินย่างสูงแต่ทํางานอย่างต่ำ มันหมายถึงลึกเนี่ยบไม่หมายถึงตื้นๆเนี่ยพระปุจจานพุทธสอนแล้วเขานี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เขาได้ปวดดูตัวเขาทูกต้องแล้วหรือยังพระทรงองค์เจ้าเขาเป็นหน้าที่ของเขาทําอันไรเขาได้ปวดคนว่าปวดในวันเนี่ยเพราะว่าปวดอเอาไม่เคี่ยงคนว่าภาษาสมัยพระตรวจตาแต่เ น, น่ยเพราะว่าโบเป็นเพราะว่าเรื่องหันลิ้นหันปากนี่ยนึกพอบะเคยอย่างนั้นจึงว่าการบวเนี่อ คุณค่าของการบวชนมากที่สุดบุญมากที่สุดแต่บบนี้ถ้าหากว่าเฮ็ดผิดเด็กก็ บ, บาปมากที่สุดหนักกวอยากวโยมเพิ่งยังเปรียบไว้มหาโจรที่เลวที่สุดในโลกอันนักบวชได้เป็นมหาโจรเนยะมหาโจรที่เลวที่สุดในโลกดาบหมกไนจีวอนพริกสูรามกสันดานนกกาหมาที่เลื่อนเพิ่เปรียบลงไป งูเพื่อนขี้สบัติหลวงพเรยกว่างูเพื่อนขี้คันาว่าตามภาษาเป็นงูงูเพื่อนอุจระไปีวางกันสิลูกนอกคลอกผู้อยู่นอกบัญชี่าซาผีดิบน้ําติดกะลาล่างเท้าไม่ใช่ขนของเรางูเพื่อนขี้นี่เขาเห็นบอกว่เห็นแล้วเขาได้เข้จาจังงูนี่สมมติมันตกอยู่ในซุวมอุจลละแล้วเขาส่งสารงูไปเอางูที่เอางูออกจาก รวมเขาเสือกหองเสือกหยางมันขึ้นมามัดหอมันขึ้นมามันบกัดเขาได้พอดีดึงขึ้นมาแล้วมันจะออกนองคอมเหนื่อยเอาขามแกงวิออทยทเี้มันจิทื่อเข่าหลดขี้ติดมันมาเนยมันจะทื่อเข่าหลดอันนี้พอเอพื่อนหมูเพื่องขี้เพื่อนยาคบคนซัวนี่แหละเพื่วอ ว, ว่าอย่าคบเฟื่องว่ายังอาะเสบนาจะพาลานางพาลาเปว่าขนโง่คนผาน บัณฑิตานี่ยจากคนเอื้นบันดิตเอื้นนักป่าคันถ้าคนผานกินเหล้าเมาสุลากินกันซาเฮโรอินนอนตามถนนหนทางคนประเทศนั้นคนผานภายในนี่บวกไม่ใช่เป็คนผ่านภายนั่นมันจึงมีเป็นสั้นเป็นลืบไปคนผานภายในนี่คือโทสะโมหโลภะมารบควรจิตใจเขาคือเอื้นคนผานอันนี้ เป็นเอื้นอ่น า, านขับารเป็นวายัา น, นี้บัณฑิตานั้นจะอันบัณฑิตผู้ศึกษาเราเรียนมาเรียนนักทำโทรทำเอกเป็นมหบมหะหรือเรียนไฟล์โลกก็ได้ปริญาตีปริญาโทรปริญาเอกเป็นเอื้นดอกเตอร์เป็นอันนั่นก็เป็นบัณฑิตภายนอกเนยอย่างโบมันบัณฑิตภายในเป็นบัณฑิตภายในคืออย่างคนว่าตามภาษา พ่อแม่ครูบาอาจารย์พจน์สอนกับวัสติสมาธิปัญญานี่เองเป็นบัณฑิตมาดางที่เหงาพ่อว่านี่ว่าตันงันคความรู้สึกตัวเองนั่นเองเป็นบัณฑิตความบรู้สึกนั่นคือคนถานเนี่ยมันตรงกันข้ามอยู่อย่างสีดังนั้นจึงว่าคนผานก็นมีอยู่ที่เหาบัณฑิตก็มีอยู่ที่เหาเมื่อผูอ้ใดรู้เห็นเข้าใจอย่างนี้เพิ่นก็เรียกวิวปัสสนา วิปัสสนาจริงว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วรับรองได้คำพูดคำสอนแม้จะทำอยูย่แตกระใดโบต้องว่าไปศึกษาอันนั้นอันนี้ให้มากอย่างที่อพอี่พวาหลายเชือแล้วว่าเป็นนับเม็ดหินเม็ดจายอยู่ในท้องมหาสมุทรสะเลอยู่พ่นครบทุกเม็ดคัญยมาแก้ปัญหาอันนี้บได้ก็ยังเป็นคนผ่านอยู่ยังเป็นคนงโง่อยู่ เพราะว่ามันเป็นการขัดแย้งยื้ภายในจิตใจเขาพี่เด้ขัดใจเนี่ยไม่พอใจเนี่ยเอาว่าขัดแย้งยื้ภายในตัวมันเองตัวมันเองมันแสดงมันขัดแย้งในตัวมันเองเมื่อมันขัดแย้งอยู่ในตัวของมันกระสือว่าคุนทานเป็นบัณฑิตบุได้ทียาพอมาเตือนพวกเขามาประชุมกันค้างแล้วนี่ก็ได้ประชุมกันกะวางหัวข้อไว้หลายอย่าง เขาก็รู้สึกว่างานอันนั้นเขาก็ทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างทีพอซัดเม็ดดอกไม้อาจิมซีไอสววุ้ยมัเป็นหัวหน้ามู่ ก, กัว่าเมนุหลวพ่อรวบรวมไปดูปได้เนี่ยคือเป็นประธานเป็นกรรมการรองกรรมการแล้วก็เป็นอะไรเลขานุ ก, การอันเนี่ก็ต้องพยายามทําหน้าที่ของเขาเพื่อนฟูงเฮายูุใส่ขเขาที่ทำอย่างไรอันนี้เป็นการปรึกษากันย่อยอันนี้ที่หลวงพอวาน บันทีพระส่งองค์เจ้าเหาก็คือกันเหาต้องรู้จักเคารพนับถือตัวเองแล้วเขาจิให้ย่างไดหน้าที่ของเขาทิว่าต่อยาตอยมอย่างไดจึงว่าญาติโยมจึงจะบทเสียหลักบทเสียทางนี่เขาโบได้ทําหน้าที่ของเขาอันนี้เพื่อว่าจินย่างสูงนอนย่างสูงแต่ทํางานอย่างต่ำเองบันดนี้ญาติโยมทําหน้าที่ถูกต้องว่าอยู่ย่างต่ำจินย่างต่ำนอนอย่างต่ำแต่ทํางานอย่างสูง มันคิดตรงกันข้ามอย่า ง, งนั้นพี่เนี่ยพอวานบอไม่ว่าทําการทํางานเฮ็ดใหนะ้เฮ็ดนาอันนั้นเรื่องนึงอันงานที่เราควรทํำนี่คือการทำหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราทำแทนพระพุทธเจ้าเด้เขาเคยได้ยินได้ฟังอย uh ู่เหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์น้อยฟังย uh. ูเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยตัตตลูกเป็นพระอราหันต์มาแล้วบวารุปปกาศีวกเนี่ย ไปโพดเอาพวกอิตาปุษะพระฤาษีสองพี่น้องคาโบวา<ะ>มาว่าเอาพวกปัญจวัคคีต่าง้ากทีปัญจวัคคีต่างหากนี่เห็นพระพรุทเจ้าถิบแรกทําอิทธิ์นะครับโบเลื่อมใส่พอดีฟังพระพรุเจ้าว่าเสาร์สะกอนหยุดสะกอนนัตั้งใจฟังสะกอนนั่นเมื่อตั้งใจฟังแล้วเกิดเข้าใจโลุดแห่งฮอก็คือกัน ครูบาอาจารย์เทศธรรมโบลือให้ยั ง, งเขาต้องเงียบฟังสกอรอยากเที่ยวปากเทียวเอาไทยว่าไทยเทศกระตัมสร้างไปเทศไปทำยุ่ใส่กระตามฟังสกอร์ยาวาพร้อมกันนัดสองคนสามคนคันว่าเจ้ากระ ว, วาข้อกระ ว, วามาันก็ลืมตัวเขาแล้วเขาก็ไปมุ้งแต่ข่เว่าคนเนี่ยเมื่อพระเจ้าบาเสียพวกนั้นก็ตั้งใจฟัง อัญญาโคนทัญญาเนี่ยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระเดียบุคคลส่วนสามซี่คนนั้นโบได้ดวงตาเห็นธรรมต้องเจริญวิปั ส, สนาเนี่ยพันว่าอัญญาโคนทัญญากับพระพุทธเจ้าเนี่ยไปบินทบาตมาให้พวกนั้นกินเพราะว่าต้องการให้มีพักมีพวกให้มาทําหน้าที่ของเขาพอดีพวกนั้นได้เป็นพระเดียบุคคลแล้วพ ญ, ญ่าไปไปเผยแผ่ที่อันเหาหูห้เหาเห็นหเหาเข้าใจนี่แหละ ให้บุคคลที่โบรู้นั้นได้รู้บุคคลที่โบเข้าใจนั้นเข้าใจบุคคลซึ่งที่โบเคยได้ยินได้ฟังนั้นให้หพยายามว่าให้ขเจ้าแล้วประกันวาแยกไปนำการสองคนให้ไปผู้เดียวเดชกานไปนำการสองคนแล้วมันน้อยครับเราจิบไปทางนี้ให้พวกเธอไปทางนั้ น, นพระพุทธเจ้าเป็นสอนแล้วเขาทําแล้วว่ารื่อบนให้ได้ทําถ้าหากเขายังไม่ได้ทําก็สแสดงว่าเขายังไม่ใช่คน อย่าเจหาว่าเน่ยพอว่าปะวอย่ากสี่วาวบ้าให้มาด่ากันทางอ้มมาสิบัแมนเด้บบมนเนี่ยพอไดาบัแมนเนี่ยพ่อวายเลยเนี่ยพ่อวาด้วยความจริงใจเนี่ยพ่อไปทางใดเน่ยพ่ออยากวายด้วยควมจริงใจเย่าไปจับผิดคนอื่นจับผิดตัวเราให้มาถ้าหากไปจับผิดคนอื่นน่นแสดงว่าเขานี่หลงตนลืมตัวอยู่แล้วโบได้ทถหน้าที่ของเขาแล้วโบรู้จักบุญคุณของความเป็นคน บุรู้จักคุณค่าของคกเป็นคนให้วัตถะแป๊บจิว่าปฏิบัติตัวเองโบถูกแล้วก็บบรู้จักคุณค่าของบิดามารดาบุรู้จักขรลมนักถือพ่อแม่ไอ้น้องหรือประเทศศาสตร์บ้านเมืองคนแบบนั้นที่ถือว่าคนบวชเล่าให้ฟังอยู่ทุกมือทุกวันกับโบจุดโบจำก็บที่ถือว่าเป็นคนบวบโบแมนอันแมนยูดังนั้นพลวัตเสื่อศาสตร์เพนว่าพ่อแม่เคยไว้ให้ฟัง จะเป็นซาบเป็นเสื้อก็ตามหากโบเอือกเฟื้อก็คือเสืออยู่ในป่าเอาสันเพลนวันมันตรงกันข้ามอยู่เสมอโบเป็นาบเป็นเสื้อก็ตามหากเอื้อเฟื้อเอาใจใส่เพื่นเหมือนเนื้ออาตมาเพลนวันนี่เพลนวันนงสันเขานี่บเม็เสื้อเม็นซากันอยู่คนละบ้านคนละอำเภอคนละจังหวัดเมื่อมาเห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็พยายามพูดเรืความจริให้ฟังเพลนว่าเป็นซาบเป็นเสื้อเป็นเนื้อเป็นหนังอันเนึ่งอันเดียวกันเพลนวันบัดนี้ลูกลานกระทำซาง ใครก็ตามเนี่ยพอวาถ้าหากว่าโบเสื้อฝังแล้วอันั้นก็บโเสื้อไม่เสื้อไม่สะาดบไม่ลูกไม่หลานไม่ยั้งจี่แมนไม่ยั้งทําลายได้หนึ่งพูดหนึ่งฟืนผูดหนึงดึงแม่นใครว่าผู้นึงพยายามแก้ผู้นึงพยายามมัดบไม่สาดโบไม่เสื้อไม่ยั้งจำนวนทำลายกันอันนี้เพรานว่ามันตรงกันข้ามเหมือนขาวกับดําเหมือนมืดกับสว่างหร่นหนักกับเบากันว่า การทำงานทำการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นว่าขี่เหื่อลำเดียวกันพายเป็นอย่างสะดวกขันที่เหือลําเดียวกันเพิ่นเพิ่นว่าอีกตืมนด้บนี้ไม่ท่อกระโบท่อพายกระ่บพายเอาจีนลาน้ําไว้กลัวบรรเจไปไต่ไว้เพิ่นก็ว่าโบแมน่ น, นั่นมันขัดขวางมันเป็นหน้าโยบายอันหนึง่งจะคนบูรู้จักหน้าที่ของคนถ้าหากรู้จักหน้าที่ของคนแล้วส่วยขันท่อส่วยกันพาย เพื่อการแก้ไขเมือเราโบเดมันหัวมันสีล้มที่จมเขาก็จิกกระอัดกระยาเป็นวันนเาเป็นคันแก่เขาเฮ็ดเรีย บ, บอาากเรื่องเขาโบเดเฮ็ดไม่ได้ทำเถือถ้าหากเขาโบเดเฮ็ดให้ทำเตือยก็ซื่อว่าเขายัางพันรู้จักคุณค่าของคมเป็นคนและโบได้รู้จักหน้าที่ของคนและโบได้ปฏิบัติหน้าที่ของคนจะเป็นคนบอกั้งแต่โบเมยนั้นโบเป็นคนเขาบอกเป็นคนและแม่ยังว่าไนเขนว่าคนบบรู้จักอาย คนบุรุษจากอายบุรุษจากอายเพิ่นเปียบใสใสกันเปรียบกับสัตว์แต่แท้งขาหน้าตาบุรุเท้านี่เป็นคนยุทธใจเป็นสัตว์ใจเป็นสัตว์และจิมักก็เป็นคนได้มากระโบ ม, มาได้แล้วคนมันก็เป็นสัตว์แต่สันแล้วพยาเ อ, าอินหูทิพตาทิพอันหูทิพตาทิพย่างอย่าพรวาเนี่ยหมายถึงแห็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจ เห็นการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของจิตใจของชีวิตทุนพอได้เอื้นตาทิพย์เอื้นหูทิพย์พู้ได้ว่าผิดไปจากนี้พอนนะ่าผิดแล้วนะพูดเอื้นหูทิพย์พู้ได้มีหูทิพย์ยิงฝังถูกว่ะผู้ได้ว่ามีหูทิพย์ฝังบุกถูกผู้ได้มีตาทิพย์ยิงเห็นผูดได้ว่มีตาทิพย์โบเห็นเป็นเอิ้นว่าญานงานเข้าไปรู้ว่าใส่เป็นวาน่าโบไม่งานจิ้งห่อไปเไไนี่ยน แล้วยา น, นก็กิดว่าจะนี่นานน่ะเป็นพาหานะคนส่งเพื่อนเอิญทางตันแล้วเขาไปตีคมหมายทางตันมันลายอย่างว่าดังนั้นในประเทศอินเดียนะจะมีหลายละที่หลายนิกายผู้ใดช อ, อบธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องไปหาพระพุทธเจ้าผู้ใดช อ, อบธรรมะอาจารย์แตก็ต้องไปหาอาจารย์นั้นเพื่นบัวห้าพระพุทธเจ้าแกเพื่อนไว้ฝั่งซื้อ เมืองไทยแล้วก็หลายครูหลายอาจารย์หลายผู้สอนสอนสมถะสอนกรรมฐานสอนนิพพานร้ายครูหล่ยอาจารย์ถ้าหากผู้ใดมักอาจารย์ใดเขาต้องไปหาอาจารย์นั้นมันจึงจะบุเสียเวลาของเขาดังนั้นคถ้าเขาสอบเขามา้เขาก็ต้องมาต้องไปหาพักพวกของเขาเพิ่นบัวห้ามบัวจำเนียะเนียพว่านนี่คือการเนียพวบัวหา้าบัวจำผู้ใดทั้งหมดอยู่ก็ได้ นี่ก็ได้มาก็ได้บวมาก็ได้เอาไปปฏิบัติก็ได้บวอาไปปฏิบัติก็ได้มันเรื่องของแต่ละคนเน้ยมันไม่ไเอาให้กันเป็นเยพ่อทำให้ลูกกับบได้ลูกทำให้พ่อกับบได้พ่วเมียทำแทนกันกับบได้